35กรรมใหม่ที่ตนทำทุกปัจจุบันคือการแก้กรรมดังนั้นการจะแก้กรรมตนเองก็จะต้องทำที่ปัจจุบันด้วยการกระทำของตนเองฝึกฝนที่ปัจจุบันจึงจะมีผลเป็นอำนาจของตนของตน แก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่จนกระทั่งเป็นวิสัยใหม่ที่จเจริญหรือสีวิไลถึงขั้นโลกุตระได้จริงกรรมใหม่ที่ทำในปัจจุบันเรียกว่ากรรมปัจจุบันจึงเป็นอำนาจที่แก้กรรมของตนได้ คนจะพิสูจน์ได้ด้วยตนจริงๆผลจะมีฤทธิ์มีอำนาจหรือไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจก็จะรู้ได้จริงพิสูจน์ได้ไม่อำพรางไม่ลึกลับไม่แฝงเร้นกรรมอดีตมีอย่างไรมีเท่าไหร่ก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดกาล กรรมใหม่ที่ทำใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วก็เมื่อตนได้ทำกรรมใดจนกรรมนานเกิดแล้วก็สังสมตกผลึกเป็นวิบากผลของกรรมสิ่งทรงไว้ทรงอยู่ตามที่ได้ทำแล้วลงไปนั่นแหละเรียกเป็นภาษาว่าธรรมะถ้าเป็นสิ่งดี หรือถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็เรียกว่าอาธรรมหรืออากุศลธรรมหรือบาปอาธรรมหรืออากุศลหรือบาปนี้หากมันมีอำนาจอย่างไรแค่ไหนมันก็ทรงอำนาจนั้นอยู่อย่างนั้นไม่สูญได้โอกาสก็ออกฤทธิ์หรือแสดงอำนาจแก่ตน กรรมอดีตกรรมเก่าไม่มีทางแก้ไม่มีทางเปลี่ยนทำไปแล้วก็ทรงอยู่ตามที่ทำแล้วนั่นแหละมากหรือน้อยเท่าใดก็เท่านั้นไม่หายไปไหนมีแต่จะวิ่งตามแก้แค้นนี่ชั่วหรือทดแทนคุณ น, นี่ดี ซึ่งก็เป็นไปตามสัจจะของชั่วอากุศลหรือดีกุศลเท่าที่ฤทธิ์มีและแรงมี